ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเทวะหลวงก่อชาสุพัดโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติ ที่พวกเราจะได้มารวมกันแต่ละครั้ง น, นี้ก็ลำบากนะนับว่าเป็นมงคลอันหนึ่งที่ได้มาถวายสังฆทานและได้มาฟังธรรมที่วัดหนองปากผมเมื่อคืนคงได้ฟังหลายกันละมังเนี่ยอาตมาได้ขอโอกาสแก่พระสงฆ์ทั้งหลายและญาติโยมแล้วให้พระสงฆ์ทำธุรัแทนกำลังมันน้อยทุกวันนี้ลมมันน้อยเสียงมันก็น้อยทาไมมันจึงน้อย มันจะหมดนั่นแหละน้อยๆลงเดี๋ยวก็หมดแหละมาที่นี่นับเป็นโชคดีที่ยังเห็นตัวเห็นตนอยู่นะถ้านานๆไปมันจะไม่ได้เห็นแล้วจะเห็นก็แต่วัดเท่านั้นแหละต่อจากนี้ให้ตั้งใจฟังธรรม ระยเวลานี้พวกเราแสวงบุญกันมากมีคนแสวงบุญกันมากทุกแห่งที่ไหนที่ไหนก็มาผ่านวัดป่าพงที่จะไปก็ผ่านนี้ที่ไม่ผ่านกลับมาก็ต้องผ่านนี้ทอดผ่าป่าทอดกระถินทุกครั้งถ้าขาไปไม่พบขากลับก็ต้องมาผ่านก็คือต้องผ่านทั้งนั้นวัดป่าพงจึงเป็นเหมือนเมืองผ่านผ่านไปชั่วคราวผ่านไปผ่านมา บางคนที่มีธุระรีบร้อนก็ไม่ได้พบกันไม่ได้พูดกันพวกเราโดยมากก็มาแสวงหาบุญกันแต่ว่าไม่เคยเห็นญาติโยมที่แสวงหาการละบาปมีแต่แสวงบุญเรื่อยไปไม่รู้จะเอาบุญไปใช้ตรงไหนผ้าสกรปรกไม่ฟอกแต่อยากจะรับน้ำย้อมนะ นี่มันเป็นอย่างนั้นคำสอนของพระท่านพูดไปโดยตรงง่ายๆแต่มันยากกับคนที่จะต้องปฏิบัติยากเพราะคนไม่รู้เพราะคนรู้ไม่ถึงมันจึงยากถ้าคนรู้ถึงแล้วมันก็ง่ายขึ้นนะอัตมาเคยสอนว่าเหมือนกันการูมีรูอันหนึ่ง ถ้าเราเอามือล้วงเข้าไปไม่ถึงก็นึกว่ารูนี้มันลึกทุกคนตั้งร้อยคนพันคนนึกว่ารูมันลึกก็เลยไปโทษรูว่ามันลึกเพราะล้วงไปไม่ถึงคนที่จะว่าแขนเราสั้นไม่ค่อยมีร้อยทั้งร้อยว่ารูมันลึกทั้งนั้นคนที่จะว่าไม่ใช่แขนเรามันสั้นก็ไม่ค่อยมีคนแสวงหาบุญเรื่อยๆไป วันหลังต้องมาแสวงหาการละบาปกันเถอะไม่ค่อยจะมีเนี่ยมันเป็นเชอย่างนี้คำสอนของพระท่านบอกไว้สั้นๆแต่คนเรามั น, นผ่านๆไปฉะนั้นวัดป่าพง ม, มันจึงเป็นเมืองผ่านธรรมะก็จึงเป็นเมืองผ่านของคน สัพพปาปัสะอาการณังกุสลสูปะสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานสาสนังอันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่เราข้ามไปโน้นเราไม่เอาอย่างนี้การละบาปทั้งปวงน้อยใหญ่ทางกายวาจาใจเนะี่ยเป็นเลิอดประเสริฐแล้วเอตังพุทธานสาสนัง อันนี้เป็นคําสอนของพระอันนี้เป็นตัวศาสนาอันนี้เป็นคําสอนที่แท้จริงธรรมดาของเรานะเวลาจะย้อมผ้าก็จะต้องทาผ้าของเราให้สะอาดซะก่อนอันนี้ไม่อย่างนั้นสิเราไปเที่ยวตลาดเห็นสีมันสวยๆก็นึกว่าสีนั้นสวยดีเราจะย้อมผ้าละไม่ดูผ้าของเรา จับสีขึ้นมาเห็นสีสวยๆก็จะเอามาย้อมผ้าอย่างนั้นแหละเอามาถึงก็เอามาย้อมเลยผ้าของเรายังไม่ได้ฟอกไม่สะอาดมันก็ยิ่งขี้เรไปกว่าเก่าเสแล้วเราคิดดูสิกลับไปเนี่ยเอาผ้าเช็ดเท้าไปย้อมไม่ต้องซักละนะจะดีไหมดูสินี่ลหละพระพุทธเจ้าท่านสอนกันอย่างนี้ เราข้ามกันไปหมดพากันทำบุญแต่ว่าไม่พากันละบาปก็เท่ากับว่ารูมันลึกใครๆก็ว่ามันลึกตั้งร้อยตั้งพันก็ว่ารูมันลึกคนจะว่าแขนมันสั้นน่ะไม่ค่อยจะมีมันต้องกลับธรรมะต้องถอยหลังกลับมาอย่างนี้ถึงจะมองเห็นธรรมะมันต้องมุ่งหน้ากันไปอย่างนี้ บางทีก็พากันไปแสวงหาบุญกันไปรถบัสคันใหญ่ๆสองคันสามคันพากันไปไปกันบางทีทะเลาะกันบนรถก็มีบางทีกินเหล้าเมากันบนรถก็มีถามว่าไปทําไมไปแสวงบุญกันไปเอาบุญแต่ไม่ละบาปก็ไม่เจอบุญกันสักทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอยู่อย่างนี้มันจะสะดุดเท้าเราใช่ไหม ให้มองดูใกล้ๆมองดูตัวเราพระพุทธเจ้าท่านให้มองดูตัวเราให้สติสัมปชัญญะอยู่รอบๆตัวเราท่านสอนอย่างนี้บาปกรรมทำชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นทั้งทางกายวาจาใจบอ่อเกิดบาปบุญคุณโทษก็คือกายวาจาใจเราเอากายวาจาใจมาด้วยหรือเปล่าวันนี้หรือเอาไว้บ้าน นี่ต้องดูอย่างนี้ดูใกล้ๆอย่าไปดูไกลเราดูกายของเรานี่ดูวาจาดูใจของเราดูว่าศีลของเราบกพร่องหรือไม่อย่างนี้ไม่ค่อยจะเห็นมีโยมผู้หญิงเราก็เหมือนกันแหละหล้างจานแล้วก็บ่นหน้าบูดหน้าเบี้ยวอยู่นั่นแหละ มัวไปล้างแต่จานให้มันสะอาดแต่ใจเราไม่สะอาดเห็นไหมไปมองดูแต่จานมองดูไกลเกินไปใช่ไหมสะอาดแต่จานเท่านั้นแหละแต่ใจเราไม่สะอาดเรียกว่าเรามองข้ามตัวเองไม่มองดูตัวเองไปมองดูแต่อย่างอื่นจะทําความชั่วทั้งหลายก็ไม่เห็นตัวของเราไม่เห็นใจของเรา ภรรยาก็ดีสามีก็ดีลูกหลานก็ดีจะทำความชั่วแต่ละอย่างก็ต้องมองโน้มมองนี้แม่จะเห็นหรือเปล่าลูกจะเห็นหรือเปล่าสามีจะเห็นหรือเปล่าภรรยาจะเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ทำอันนี้มันดูถูกเจ้าของว่าคนไม่เห็นก็ทำดีกว่ารีบทำเร็วๆเดี๋ยวคนจะมาเห็นแล้วตัวเราที่ทาเนี่ยมันไม่ใช่คนหรือ เห็นหนี่มันมองข้ามกันไปซีอย่างนี้จึงไม่พบของดีไม่พบธรรมะถ้าเรามองดูตัวของเราเราก็จะเห็นตัวเราจะทำชั่วเราก็รู้จักก็จะได้ห้ามเสียทันทีจะทำความดีก็ให้ดูที่ใจเพราะเราก็มองเห็นตัวของเราอยู่แล้วก็จะรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักผิดรู้จักถูกอย่างนี้ก็ต้องรู้สึกสิ นี่ถ้าไม่พูดก็ไม่รู้เราโลภ ก, ก็ไม่รู้เราหลงก็ไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่รู้ไปมุ่งกันอย่างอื่นนี่เรียกว่าโทษของคนที่ไม่มองดูตัวของเราถ้าเรามองดูตัวของเราเราก็จะเห็นชั่วเห็นดีทุกอย่างดีก็จะได้เก็บไว้และเอามาปฏิบัติเก็บดีมาปฏิบัติดีก็ทําตามความชั่วเก็บมาทําไมเก็บมาเพื่อเหวียงทิ้ง การละความชั่วประพฤติความดีนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาสัพพะปาป ะ, ะอาการนังการไม่ทำบาป ท, ทั้งทางกายวาจาใจนั่นแหละถูกแล้วเป็นคำสอนของพระถูกแล้วสะอาดแล้วล่ะทีนี้ต่อไปก็กุศลสูปรสัมปทาคือทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลคงรู้จักแล้ว เมื่อจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งรถไปสแสวงหาบุญที่ไหนใช่ไหมนั่งอยู่ที่บ้านเราก็จับบุญเอาก็เรารู้จักแล้วไปสแสวงบุญกันทั่วประเทศแต่ไม่ละบาปกลับไปบ้านก็กลับไปเปล่าๆไปทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างเก่าอยู่นั่นแหละไปล้างจานหน้าบูดอยู่นั่นแหละไปดูแต่จานให้มันสะอาดแต่ใจเราไม่สะอาดไม่ค่อยจะดูกันคนเรามันพ้นจากความดีไปซื้ออย่างนี้ คนเรานะ่ะมันรู้แต่ว่ามันรู้ไม่ถึงเพราะรู้ไม่ถึงใจของเราหัวใจของพระศาสนาจึงไม่ผ่านเข้าหัวใจของเราเมื่อจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันก็จะสบายนั่งยิ้มอยู่ในใจของเรานั่นแหละแต่นี่หาเวลายิ้มได้ยากใช่ไหมเนี่ยเวลาที่เราชอบใจถึงยิ้มได้ใช่หมเวลาไม่ชอบใจแล้วก็ยิ้มไม่ได้จะทำยังไงไม่สบาย หรือสบายแล้วคนเราต้องมีอะไรชอบใจเราแล้วจึงสบายต้องให้คนทั้งโลกพูดทุกคำให้ถูกใจเราหมดแล้วจึงสบายอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสบายได้เมื่อไรมีไหมใครจะมาพูดถูกใจเราหมดมีไหมเนี่ยแล้วเราจะสบายได้เมื่อไรเราต้องอาศัยธรรมะนี่ถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่าง เราอย่าไปหมายมั่นมันจับดูแล้วก็วางเสียเมื่อใจมันสบายแล้วก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละอะไรที่ว่ามันไม่ดีไม่พอใจของเราเป็นบาปมันก็หมดไปมีอะไรดีมันก็คงต้องเป็นไปของมันอย่างนั้นสจิตตบริโยทปนัง เมื่อชำระบาปแล้วมันก็หมดกังวลใจก็สงบใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญเมื่อใจเป็นกุศลแล้วใจก็สบายสว่างเมื่อจิตใจมันสว่างแล้วก็ละบาปใจสว่างใจผ่องใสจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็สบายเมื่อสบายสงบแล้วนั่นแหละคือคุณสมบัติของมนุษย์ที่แท้เต็มที่ที่เราอยู่สบายนั่นแหละ ทีนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบใจถ้าเขาชอบพูดชอบใจเราก็ ย, ยิ้มถ้าเขาพูดไม่ชอบใจเราเค็หน้าบูดเมื่อไรใครพูดให้ถูกใจเราทุกทุกวันมีไหมแม้แต่ลูกในบ้านเราเคยพูดถูกใจเราไหมเราเคยทําให้พ่อแม่ถูกใจหรือเปล่าน่ะไม่ใช่แต่คนอื่นแม้แต่หัวใจของเราเองก็เหมือนกัน บางทีคิดขึ้นมาไม่ชอบใจเหมือนกันและทำอย่างไรบางทีเดินไปตาหัวตอสะดุดปึก๊กมันอะไรใครไปสะดุดมันล่ะจะไปว่าใครล่ะก็ตัวเราทาเองนี่จะทำยังไงก็แต่ใจเราเองยังไม่ถูกใจตัวของเราเองให้เราคิดดูสิมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีบางอย่างเราก็ทำไม่ถูกใจเราเองก็ได้แต่เฮ้ก็ไม่รู้จะไปฮึกเอาใคร มันไม่เที่ยงอย่างนี้บุญในทางศาสนาบุญในทางพุทธศาสนาก็คือการละบาปเมื่อละบาปแล้วมันก็ไม่มีบาปไม่มีบาปมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมันก็เย็นจิตที่สงบแล้วนั้นจึงว่าเป็นกุศลละจิตไม่คิดโมโหมันก็ผ่องใส ผ่องไสด้วยวิธีอะไรก็ให้โยมรู้จักว่าแหมวันนี้น่ะใจมันดุเหลือเกินไปมองดูอะไรแม้แต่จะมองดูถ้วยในตู้มันก็ไม่สบายอยากจะทุบมันทิ้งให้หมดสะทุกบใบเลยไปดูอะไรก็ไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้นดูใครดูเป็ดดูไก่ดูสุนัขดูแมวไม่ชอบใจแม้แต่พ่อบ้านพูดขึ้นมาก็ไม่ชอบใจเมื่อดูในใจของเราก็ไม่ชอบใจของเรา ทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วละ่ะทำไมมันถึงได้เกิดความร้อนอย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าคนหมดบุญละ่ะเดี๋ยวนี้เรียกคนตายว่าคนหมดบุญแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไม่ตายแต่หมดบุญมีเยอะคือคนที่ไม่รู้จักบุญใจมันเป็นแต่บาปอยู่อย่างนั้นจึงสะสมแต่บาปอยู่ โยมไปทำความดีก็เหมือนโยมอยากได้บ้านสวยๆจะปลูกบ้านแต่ไม่ปราบที่มันซะก่อนเดี๋ยวบ้านมันก็จะพังเท่านั้นเองใช่ไหมสถาปนิกไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำเสียใหม่พยายามใหม่ให้เราดูตัวของเรานะดูข้อบกพร่องของเราดูกายดูวาจาดูใจของเรากายเรานี่ก็มีอยู่แล้ววาจาก็มีอยู่แล้วใจก็มีอยู่แล้วจะไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนเล่า ไม่ใช่มันหลงหรือเนี่ยจะไปหาที่ปฏิบัติอยู่ในปา่าวัดป่าพงสงบหรอไม่สงบเหมือนกันที่บ้านเรานั่นแหละมันสงบถ้าเรามีปัญญาที่ไหนที่ไหนมันก็สบายมันสบายทั้งนั้นโลกทั้งหลายเขาถูกต้องของเขาหมดแล้ว ต้นไม้ทุกต้นมันก็ถูกต้องตามสภาพของมันแล้วต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีต้นที่มันเป็นโพรงก็มีสารพัดอย่างของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมีแต่ตัวเรานั่นแหละไปคิดเพราะไม่รู้เรื่องเฮ้ต้นไม้นี่มันยาวไปไอ้ต้นนี้มันสั้นไปไอ้ต้นนั้นมันเป็นโพรงต้นไม้น่ะเขาอยู่เฉยๆเขาสบายกว่าเราฉะนั้นจึงไปเขียนคาโคลงไว้ที่ต้นไม้ดีกว่า ให้ต้นไม้มันสอนเราได้อะไรบ้างหรือไม่ละ่ะมาวันนี้ได้อะไรที่ต้นไม้ไปบ้างไหมต้องเอาให้ได้สักอย่างนึงนะต้นไม้หลายต้นมีทุกอย่างที่จะสอนเราได้อย่างนี้เรียกว่าธรรมะมันมีอยู่ทุกสภาพตามธรรมชาติทุกอย่างให้เข้าใจนะอย่าไปติเสียว่ารูมันลึกเข้าใจไหมให้วกมาดูแขนของเราสิอ๋อแขนของเราเมันสั้น อย่างนี้ก็สบายเมื่อจะตรวจให้รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไรอย่าไปว่าแต่ว่ารูมันลึกให้เข้าใจสบ้างอย่างนั้นบุญกุศลใดๆที่เราทำให้มีไว้ในใจแล้วนั่นละมันเลิศที่ทำบุญกันวันนี้ก็ดี แต่ว่ามันไม่เลิศจะสร้างวัตถุอะไรถาวรดีแต่ว่ามันไม่เลิศถ้าสร้างใจให้เป็นบุญนั่นแหละมันจึงเลิศมันั่งที่นี่ก็สบายกลับไปบ้านก็สบายให้มันเลิศให้มันเป็นบุญไว้นะอันนี้มันเป็นเพียงตัววัตถุเป็นกะพี้ของแก่นแต่ว่าแก่นมันจะมีได้ก็ต้องอาศัยกระพี้มันเป็นเส ย, ย่างนั้นแก่นมันต้องอาศัยกะพี้ มีกะพีจึงมีแก่นให้เข้าใจอย่างนั้นทุกอย่างก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วมองดูที่ไหนที่ไหนมันก็จะเห็นธรรมะทั้งนั้นถ้าคนขาดปัญญาแล้วมองไปเห็นสิ่งที่ว่าดีก็อาจกลายเป็นไม่ดีความไม่ดีมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละตามันเปลี่ยนจิตใจมันก็เปลี่ยน อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นสามีภรรยาเคยพูดกันสบายๆเอาหูฟังได้อีกวันหนึ่งใจมันไม่ค่อยดีใครพูดอะไรมันก็ไม่เข้าท่าไม่รับทั้งนั้นมันไม่เอาทั้งนั้นแหละใช่ไหมใจมันไม่ดีใจมันเปลี่ยนไปซะแล้วมันเป็นซะอย่างนั้นฉะนั้นการละความชั่วประพฤติความดีจึงไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าใจมันไม่ดีขึ้นมาแล้ว อย่าไปมองคนโน้นหรือไปด่าคนโน้นว่าคนนี้ให้ดูใจของเราว่าใครเป็นผู้พูดอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้จิตใจทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่ให้เข้าใจว่าลักษณะทั้งหลายนี้มันไม่เที่ยงความรักมันก็ไม่เที่ยงความเกลียดมันก็ไม่เที่ยงเราเคยรักลูกบ้างไหมถามอย่างนี้ก็ได้รักเคยรัก อาตมาตอบแทนเองเคยเกลียดบ้างไหมตอบแทนเลยเนาะนี่บางทีก็เกลียดมันทิ้งมันได้ไหมทิ้งไม่ได้ทำไมลูกคนไม่เหมือนลูกกระสุนลูกกระสุนยิงป้งออกไปนอกลูกคนยิงป้งมาโดนที่ใจเรานี่ดีก็มาถูกตัวนี้ชั่วก็มาถูกตัวนี้ อย่างนี้เรียกว่ามันเป็นกรรมลูกเรานั่นแหละมีคนดีมีคนชั่วทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นลูกของเราทั้งนั้นเขาเกิดมาแล้วดูสิคนที่ไม่ดีขนาดไหนก็ยังรักเกิดมาเป็นโรคโปลิโอขาเป๋ดูสิรักคนนั้นกว่าเขาแล้วจะออกไปจากบ้านเพราะรักคนนี้ถึงต้องสั่งว่าดูน้องคนนี้ด้วยเถิดเมื่อจะตายจากไปก็สั่งไว้ให้ดู ให้ดูคนนี้ดูลูกชั้นคนนี้มันไม่แข็งแรงยิ่งรักมันมากถ้าเป็นผลไม้มันเน่าเวียงเข้าป่าไปเลยไม่เสียดายแต่คนเน่ายิ่งเสียดายก็มันลูกเราทําอย่างไรเล่านี่ให้เข้าใจสิอย่างนี้ฉะนั้นจงทําใจไว้เสียดีกว่านะรัก ครึ่งชั้นครึ่งอย่าทิ้งมันสักอย่างให้มันอยู่รวมๆกันของของเราเนี่นี่คือกรรมกรรมนั้นละ่ะเป็นของเก่าของเราแหลนะเนาะนี่มันก็สมกันกันกบเจ้าของเขาคือกรรมก็ต้องเสวยไปถ้ามันทุกข์ใจเข้ามาเต็มที่ก็ึกรรมนะกรรมถ้ามันสบายใจดีก็ กรรมนะบางทีอยู่ที่บ้านทุกก็อยากหนีไปมันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายเข้าจริงๆบางทีอยากผูกคอตายก็มีกรรมเราต้องยอมรับมันอย่างนี้เรื่อยๆไปสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทำละสิเท่านี้ก็พอมองเห็นเจ้าของแล้วใช่ไหมพอมองเห็นเจ้าของแล้วนะนี่เรื่องการพิจารณาสำคัญอย่างนี้ เรื่องการภาวนาอารมณ์ที่เรียกว่าภาวนาเขาเอาพุทโธธรรมโมสังโฆมาภาวนาทำกรรมฐานกันแต่เราเอาสั้นกว่านั้นเมื่อรู้สึกว่าใจมันหุดหงิดใจไม่ดีโกรธเราก็ร้องเฮเวลาใจดีขึ้นมาก็ร้องฮว่ามันไม่เที่ยงดอกถ้ามันรักคนนั้นขึ้นมาในใจก็ฮถ้ามันจะโกรธคนนั้นขึ้นมาก็เฮ้เข้าใจไหมไม่ต้องไปดูลึก ไม่ต้องไปดูพระไตรปิฎกหรอกไอ้ฮะนี่แหละเรียกว่ามันไม่เที่ยงความรักนี่มันก็ไม่เที่ยงความชังมันก็ไม่เที่ยงความดีมันก็ไม่เที่ยงความชั่วมันก็ไม่เที่ยงมันเที่ยงอย่างไรเล่ามันจะเที่ยงตรงไหนมันเที่ยงก็เพราะของเหล่านั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือมันเที่ยงอย่างนี้มันไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าความเที่ยงเที่ยงก็เพราะมันเป็นของของมันอยู่อย่างนั้นไม่ได้แปลเป็นอย่างอื่น เดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็ชังมันเป็นข อ, ของของมันอยู่อย่างนี้นี่คือมันเที่ยงอย่างนี้จึงจะบอกว่าเมื่อความรักเกิดขึ้นเราก็บอกฮึมันไม่เปลืองเวลาดีไม่ต้องว่าอันนิ้จังทุกครั้งอนัตตาแล้วถ้าโยมขี้เกียจภาวนามากเอาง่ายๆดีกว่าคือถ้ามันเกิดมีความรักขึ้นมามันจะหลงก็ร้องเฮึเท่านั้นแหละ อะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงทางนั้นมันเที่ยงก็เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเห็นเท่านี้ก็เห็นแก่นของธรรมะคือสัจธรรมอันนี้ถ้าเรามาฮึกันบ่อยๆค่อยๆทยอยไปอุปทานก็จะน้อยไปน้อยไปอย่างนี้แหละความรักนี้ฉันก็ไม่ติดใจความชั่วฉันก็ไม่ติดใจอะไรอะไรฉันก็ไม่ติดใจทางนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าไม่เชื่ออะไรทางนั้นเชื่อสัจธรรมอย่างเดียว รู้ธรรมะเท่านี้ก็พอแล้วโยมจะไปดูที่ไหนอีกเล่าวันนี้มีโชคด้วยได้อัดทั้งเทพภายนอกภายในเข้าหูตรงนี้ก็อัดเข้าตรงนี้ก็ได้เทพนั้นก็จะได้มีทั้งสองอย่างถ้าโยมทาไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสักมังเนาะไม่ต้องมาวัดป่าพองอีกละมั้งเนี่ย ข้างในก็อึดข้างนอกก็อัดแต่ว่าเทปนี้มันไม่ค่อยสำคัญหรอกเทปในใจนั่นแหละสำคัญกว่าเทปอันนี้มันเสื่อมได้ซื้อมาแล้วมันก็เสื่อมได้เทปภายในของเราเมื่อมันถึงใจแล้วมันดีเหลือเกินนะโยมมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่เปลืองฐานไปอัดอยู่ในป่าพูดอยู่นั่นแล้วในวันในพรุ่งให้มันรู้อยู่อย่างนั้นแหละมันรู้ว่ากะไร ภาว น, นาพุโทโธพุธโทโธต้องรู้อย่างนั้นเข้าใจกันแล้วหรือยังเข้าใจให้ถึงนะถ้ามันเข้าใจถ้ามันถูกอารมณ์ปุ๊บรู้จักแล้วแล้วก็หยุดเลยฟังเข้าใจนะถ้ามันโกรธขึ้นมาก็ว่าฮ้อพอแลวระงับเลยถ้ามันยังไม่เข้าใจก็ติดตามเข้าไปดูถ้ามันเข้าใจแล้วเช่นพ่อบ้านโกรธให้แม่บ้านแม่บ้านโกรธให้พ่อบ้านโกรธขึ้นมาในใจก็ร้องฮอมันไม่เที่ยง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 แม้นักบวชเราก็เหมือนกันบางทียังไม่ทันได้บวชเลยยังเป็นเพียงผ้าขาวอยู่ก็พาผ้าขาววิ่งหนีไปก็มีบางคนโกนผมเท่านั้นยังไม่ได้บวชขาวด้วยซ้าก็นหนีไปก่อนแล้วก็มีบางคนก็อยู่ได้สามสี่เดือนก็หนีไปบางคนอยู่ถึงบวชเป็นเนนเป็นพระได้พรรษาสองพรรษาก็สึกไปก็มีหรือสี่ห้าพรรษาแล้วก็สึกไปก็มีเหมือนกับผลไม้เอาแน่นอนไม่ได้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 แล้วก็นึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นย่อมจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติถ้ามีปัญญาพิจารณาดูอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนมากมาย พระพุทธเจ้าของเราที่ทรงพนวดในพระชาติที่เป็นพระชนกกุมาร น, นั้นท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายท่านไปทรงเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานเท่านั้นคือวันหนึ่งพระชนกกุมารได้เสด็จไปชมสวนอุทยานกับพวกอํามาตย์ทั้งหลายได้ทรงเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งกําลังออกผล ง, งามๆมากมายก็ตั้งพระไถยไว้ว่าตอนกลับจะแวะเสวยมะม่วงนั้นแต่เมื่อพระชนกกุมารเสด็จผ่านไปแล้ว พวกอมบาดก็พากันเก็บผลมะม่วงตามใจชอบฟาดโดยกระบองบ้างแทบบ้างเพื่อให้กิ่งหักใบขาดจะได้เก็บผลมะม่วงมากินพอตอนเย็นพระชนกกุมารเสด็จกลับก็จะทรงเก็บมะม่วงเพื่อจะลองเสวยว่าจะมีรสอร่อยเพียงใดแต่ก็ไม่มีมะม่วงเหลือเลยสักผลมีแต่ต้นมะม่วงที่กิ่งก้านหักห้อยเก ก, กะใบก็ขาดวิน่น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 พพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเหตุเท่านั้นก็พิจารณามาตลอดทางที่เสด็จกลับทรงรำพึงว่าที่ทรงมีความทุกข์ยากลำบากก็เพราะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องทรงห่วงใยราษฎรต้องคอยป้องกันแผ่นดินจากข้าศึกศัตรูที่คอยจะมาโจมตีตรงนั้นตรงนี้อยู่วุ่นวายแม้จะนอนก็ไม่เป็นสุขบรรทมแล้วก็ยังทรงนิมิตอีก แล้วก็ทรงนึกถึงต้นมะม่วงที่ไม่มีผลต้นนั้นที่มีใบสดดูร่มเย็นแล้วทรงดำริว่าจะทำอย่างมะม่วงต้นนั้นจะไม่ดีกว่าหรือพอถึงก็ราชวังก็ทรงพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระทยัย ออกทรงพรนันนดโดยอาศัยต้นมะม่วงนั่นแหละเป็นบทเรียนสอนพระไทยทรงเปรียบเทียบพระองค์เองกับมะม่วงต้นนั้นแล้วเห็นว่าถ้าไม่พัวพันอยู่ในเพศขราวาดก็จะได้เป็นผู้ไปคนเดียวไม่ต้องกังวลทุกข์ร้อนเป็นผู้มีอิสระจึงออกพนันหน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 ทรงเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษอยู่ในความสงบผ่องใสนี่คือในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงบำเพ็ญธรรมเช่นนี้มาโดยตลอดอันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเตรียมพร้อมที่จะสอนเราอยู่เสมอถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนี้เดียวเท่านั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลก ต้นไม้เครือเถาวัลเหล่านั้นมันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเท่านั้นก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นก็ตจสรู้ทำได้แล้วเหมือนอย่างพระชนกกุมาร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 เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดแล้วก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนทุกคนในสากลละโลกนี้ก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วมันก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น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 ถ้าเราตรงไปที่จุดเดียวกันอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่นำมารมคือความรู้สึกนึกคิดเป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธตั้งอยู่ความโกรธก็แปรไปเมื่อความโกรธแปรไปแล้วความโกรธก็สลายไปเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วความสุขก็แปรไป เมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขมันก็สลายไปหมดก็ไม่มีอะไรมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการเวลาทั้งของภายในคือนำรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวันเหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจธรรม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 เมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงเป็นเพียงเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะต่อเมื่อตัดสรู้ธรรมแล้วจึงได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดสามารถตัดสรู้ธรรมได้ผู้นั้นก็เป็นพุทธะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่